ตะแกรงเผาผีมันมาทีละตัวสัมผัสสยองหมู่บ้านที่ผมอาศัายอยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆมีผู้คนอาศัยอยู่ร้อยกว่าหลังคาเรือนผู้คนส่วนใหญ่นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นเครือญาติกันใกล้ชิดกันบางหรือห่างห่างกันบ้างคนในหมู่บ้านจึงรู้จักกันเกือบทุกคนตั้งแต่หัวบ้านจนถึงท้ายบ้านนี่คือเหตุการณ์เมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาในปัจจุบันมีผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านค่อยๆล้มหายตายจากกันไปทีละคนส่วนเด็กๆรุ่นใหม่ก็ไม่มีเวลาวิ่งเล่น เหมือนเด็กๆสมัยก่อนเพราะมัวแต่ไปเรียนหนังสือกันในเมืองการที่จะได้รู้จักกันเกือบทุกคนต้องถามกันว่าเด็กคนนั้นชื่ออะไรเป็นลูกของใครทั้งในหมู่บ้านก็เริ่มมีคนแปลกหน้าเข้ามาอาศัยอยู่โดยเฉพาะพวกแรงงานต่างดาวเหตุผลเนื่องจากเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วมีถนนใหญ่ตัดผ่านใกล้ๆหมู่บ้าน ต่อมาความเจริญเริ่มลุกล้ำเข้ามาสองฝากฝั่งของถนนกลายเป็นที่ตั้งของโรงงานต่างๆเช่นโรงงานทำขนมโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าโรงงานผลิตชุดชั้นในโรงงานผสมปูนผลิตเหล็กและพวกขายหินดินทรายแม้กระทั่งกวดดังให้เช่าสำหรับเก็บสินค้า ถ้าคนในหมู่บ้านอยากจะสร้างบ้านสักหลังหรือต้องการเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านก็ไม่ต้องไปที่อื่นไกลเพราะแถวแถวบ้านมีร้านให้เลือกซื้อเต็มไปหมดเมื่อมีผู้คนแปลกหน้าเข้ามาทำงานในโรงงานใกล้ๆหมู่บ้านจึงเป็นช่องทางของคนในหมู่บ้านที่มีอันจะกินได้สร้างหอพักให้คนงานเหล่านันชาวคนในหมู่บ้านเอง ก็มีงานทําในโรงงานใกล้ๆบ้านเช่นกันเมื่อเศรษฐกิจดีลูกหลานก็พอยสบายไปด้วยมีเงินใช้จ่ายไปกินขนมที่โรงเรียนกันอย่างสบายปัจจุบันปัญหาในหมู่บ้านที่ผมอยู่ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ว่าวัยรุ่นหรือวัยทํางานต่างก็เป็นทาสคองยาบ้าบางคนติดงอมแงมการงานไม่ทํา แต่มีเงินซื้อยามาเสพได้บางคนก็หาเงินจากการขายยาบ้าทั้งขายทั้งเสพบางคนก็หารายได้จากการลักเล็กขโมยน้อยทำให้ยามค่าคืนไม่มีใครกล้าออกไปไหนถึงแม้อย่างนั้นข้าวของเล็กๆน้อยๆก็หายกันเป็นประจำะไรที่หยิบฉวยไปขายร้านขายของเก่าได้ก็จะถูกขโมย แม้แต่มาตวัดน้ำในแต่ละบ้านถ้าเจ้าของบ้านเผลอมันก็จะถูกขโมยไปเพราะในนั้นมีทองเหลืองอยู่ขายได้เล็กๆน้อยๆมันก็เอาแม้กระทั่งสายไฟถ้าสวนไหนไม่ไปดูแลก็จะถูกตัดสายไฟแกไปขายร้านขายของเก่าผู้ใหญ่บ้านเคยพาตำรวจไปตรวจคนที่ร้านขายของเก่าในหมู่บ้านก็พบของกลางมากมาย จึงได้จับกลุมตัวดำเนินคดีทั้งผู้ขายและผู้รับซื้อแต่ก็ยังมีตัวตายตัวแทนไม่รู้จบจนในหมู่บ้านต้องทำโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดและการพนันวันหนึ่งผมได้ยินผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีกสี่ห้าคนกำลังนั่งปรึกษาหารือกันเรื่องตะแกรงเหล็กในหมู่บ้านที่หายไป4ห้าอันตะแกรงเหล็ก เ็นตะแกรงที่ปิดท่อระบายน้ำตามถนนในหมู่บ้านถูกขโมยไปในคืนวันที่ฝนตกหนักเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านต้องรีบหาตะแกรงมาปิดท่อระบายน้ำใหม่ไม่อย่างนั้นทั้งรถและคนคงตกท่อเกิดอุบัติเหตุได้ขณะที่กำลังปรึกษากันว่าใครจะไปหาตะแกรงมาสักผักลุงหมื่นสัปเหร่ประจาหมู่บ้าน ก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาแล้วบอกลุงผู้ใหญ่ว่าตะแกลงเผาศพที่ตั้งอยู่บนเมนสองอันหูกขโมยหายไปลุงผู้ใหญ่บ้านจึงพูดว่าไอ้พวกนี้เอากันหนักแล้วนะแม้แต่ตะแกลงเผาผีก็ยังขโมยไปลุงผู้ใหญ่จึงชวนชาวบ้านอีกสี่ห้าคนไปที่ร้านขายของเก่าเพื่อหาหลักฐานเพราะเชื่อแน่ว่าพวกขโมย น่าจะเอามาขายที่ร้านนี้แต่เมื่อไปตรวจดูแล้วก็ไม่พบหลักฐานใดๆลุงผู้ใหญ่จึงไปที่โรงงานถลุงเหล็กที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านก็ไม่พบหลักฐานเห็นแต่คนงานกําลังถลุงเหล็กไฟแดงโล่ลุกชนหยุดตรงนั้นแม้ปัญหาเรื่องขี้ยาจะระบาดหนักมันก็ยังไม่ทําให้ผมหนักใจเท่ากับบ้านของผม ที่มีปลวกระบาดอย่างหนักบ้านของผมเป็นบ้านไม้สองชั้นปลวกที่บ้านก็ามาักจะแทกกล่องกระดาษหนังสือและเสือ้อผ้าผมกลัวว่าสักวันหนึ่งมันจะมากินบ้านของผมและสร้างความวุ่นวายให้มากกว่านี้จึงพยายามใช้ยาฆ่ามแมลงฉีดมันแต่ปลวกก็ยังระบาดอยู่มันกัดกินโครงหน้าต่างฝ้าเพดาน และโครงหลังคาจนแท บ, บจะสุดพังลงมาผมเลยตัดสินใจรื้อบานและขายไม้เก่าให้กับพวกทำเฟอร์นิเจอร์ในหมู่บ้านส่วนตัวผมเองพอจะมีเงินเก็บอยู่บางจึงตัดสินใจสร้างบ้านหลังใหม่ตรงจุดเดิมแต่คราวนี้ผมสร้างเป็นบ้านปูนหน้าต่างประตูเป็นเหล็กอลูมิเนียมที่ขายสาเร็จส่วนหลังคาก็เป็นโครงเหล็ก ถ้าปรกเจอบ้านหลังนี้ต้องร้องไห้แน่ๆเพราะไม่มีส่วนประกอบของไม้เลยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ได้มาจากโรงงานแถวแถวหมู่บ้านเพราะมีโรงงานและห้างใหญ่เปิดอยู่แค่เดินเข้าไปชี้นิว้วเพียงเท่านั้นเขาก็เอาของมาส่งให้ถึงบ้านเมื่อบ้านผมเสร็จก็ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระมาสวดเพื่อเป็นสิริมงคล และมีการอุ้มพระพุทธรูปเข้าไปไว้ในบ้านผมคิดว่าตัวผมนั้นได้ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าบ้านผมที่สร้างใหม่หอเข้าไปอยู่จริงๆนอนแทบจะไม่ได้เลยคืนแรกที่ผมไปนอนก็ได้ยินเสียงโครงเหล็กหลังคาบ้านดังปังปังเคยมีคนบอกว่า บ้านที่สร้างด้วยเหล็กใหม่ๆเหล็กจะยืดและหดตัวทำให้เกิดเสียงดังได้เขาเรียกกันว่าเหล็กลั่นตัวแต่ถึงอย่างนั้นผมก็แปลกใจว่าเสียงเหล็กลั่นตัวน่าจะเกิดตอนกลางวันมากกว่าแต่นี่เป็นตอนกลางคืนอากาศก็เย็นทำไมเหล็กยังยืดหดตัวอยู่ผมเก็บความสงสัยไว้ในใจแล้วพยายามข่มตานอน ขณะที่ผมกำลังเคลิ้มจะหลับก็รู้สึกตัวแข็งขยับตัวไม่ได้สักพักก็มีเงาดำๆเดินขึ้นมาบนเตียงที่ผมนอนอยู่เป็นเงารูปร่างลักษณะเหมือนคนมีอยู่หลายคนเงานันกระโดดขึ้นมาบนเตียงทีละตัวทีละตัวจนมีถึงสีห้าตัวแล้วพวกมันก็กระโดดบนเตียงของผม มันทำให้ตัวผมนั้นกระเด้งกระดอนจากแรงสะท้อนของสปริงในเตียงผมอึดอัดมากยากจะลุกแต่ก็ขยับไม่ได้เลยเริ่มสวดมนต์ในใจไม่นานนักแรงกระโดดนั้นก็ค่อยๆหายไปแต่ผมก็ยังขยับตัวไม่ได้กว่าที่ผมจะขยับตัวได้อีกครั้งก็ใช้เวลานานพอสมควรแม้ว่าจะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ผมก็ยังคิดว่าอาจเป็นเพราะผมอ่อนเพลียจึงเกิดอาการแบบนั้นและฝันไปเองคืนที่สองหลังจากอาบน้ําเสร็จเวลาประมาณสามทุมผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายและมีเด็กๆกําลังเดินอยู่ในบ้านบ้างก็มีเสียงหัวเราะบ้างก็มีเสียงร้องไห้ปนปนกันไปมันดังจนผมแน่ใจว่า เป็นเสียงที่เกิดขึ้นในบ้านของผมอย่างแน่นอนสักพักก็มีกลิ่นโชยมามันเป็นกลิ่นเหม็นเนา่าแล้วก็กลายเป็นกลิ่นเนื้อที่เหมือนกับว่ามันถูกเผาไฟจนไม่เกลี่ยมแม้ว่าผมจะเป็นผู้ชายอกสามสอไม่ค่อยจะกลัวอะไรง่ายๆแต่เจอแบบนี้ก็หลอนอยู่เหมือนกันผมทำใจกล้าลองเปิดประตูออกไปดูก็ไม่เจอใคร พ อ, อกำลังจะปิดประตูเพื่อกลับเข้าไปนอนหางตาผมก็เห็นร่างของคนหลายคนทั้งชายหญิงเด็กคนแก่ยืนอยู่ข้างนอกห้องเต็มไปหมดพวกเขาอยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่เกรียมบางคนก็เน่าเละมีแผลมีน้ำหนองไหลเยิมผมรีบปิดประตูแล้ววิ่งไปหยิบผ้าที่หัวเตียงมาสวมใส่ ตอนนั้นผมตัวสั่นด้วยความกลัวคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นติดติดกันทั้งทังที่บ้านนี้ก็เป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ในขณะนั้นมือซ้ายของผมกำพระไว้แน่นส่วนมือขวาก็ห่อผ้าหม่มแล้วค่อยคอยเปิดประตูออกไปก็เห็นว่าภายนอกห้องนั้นเงียบสนิท ไม่มีเสียงหรือความเคลื่อนไหวใดๆผมหลอกบ้านแล้วไปขอนอนกับปณิดซึ่งเป็นป้าของผมที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆกันแต่ปณิดก็ไม่ได้เอ่ยถามผมสักคำว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากผมได้ที่นอนแล้วก็เข้านอนพอรุ่งเชา้าผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ปานิ์ฟังปานิดกับผมก็พากันไปหาลุงหมอ ซึ่งเป็นเจ้าทรงในหมู่บ้านให้เขาเขา้าส่งนั่งทางในโดลุงหมอนั่งสมาธิอยู่ครัวหนึ่งก็ลืมตาบอกว่าที่บ้านหลังนั้นมีวิญญาณจํานวนมากเข้ามาสิงอยู่เป็นเพราะเหล็กที่ใช้ทําหลังคาเป็นเหล็กมือสองที่ล้อมมาจากตะแกรงเผาผีจึงทําให้วิญญาณเหล่านี้ติดตามมาด้วยลุงหมอแนะนําว่า ถ้าจะรื้อออกก็คงยุงยากดังนั้นลุงหมอจึงบอกว่าให้ไปนิมนต์พระมาทำพิธีสวดถอนวิญญาณและส่งวิญญาณขึ้นสวรรค์ผมก็ได้ทำตามโดยนิมนต์พระมาะสวดถอนวิญญาณหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วก็ให้ลุงหมอเป็นคนทำพิธีส่งดวงวิญญาณขึ้นสวรรค์ด้วยการใช้ตุงยาวประมาณสองเมตรปักไว้บนกระถางทราย แล้วให้ดวงวิญญาณไต่ตรงขึ้นสวรรค์ไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบ้านผมก็สงบร่มเย็นปราศจากทั้งผีปลวกและไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องขวัญผวาอีกเลย หมัดสิอง